พระธรรมบทภาคที่สปุพพวักวน า, นาเสนอเรื่องที่สเรื่องนางปฏิปูชิกาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสามวัฏถีทรงปรารบหญิงชื่อปฏิปูชิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปุพานิเหวะเป็นต้น เรื่องตั้งขึ้นในดาวบดึงสัตทบโลกได้ยินว่าเทพบระบุนามว่ามาลาพารีในดาวบดึงสะเทบโลกนั้นมีนางอับศรพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเข้าไปสู่สวนเทพธิดาห้าร้อยขึ้นสู่ต้นไม้ ยังดอกไม้ให้ตกอยู่เทพธิดาห้าร้อยเก็บว่าดอกไม้ที่เทพธิดาเหล่านั้นให้ตกแล้วประดับเท พ, พบุตรบารดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งยุติบนจริงไม้นั้นนั่นแหลสรีระดับไปดุดเปรย์ประทีปนางถือปฏิสนธิในเรือนแห่งตรกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีในเวลาที่นางเกิดแล้ว เป็นหญิงฤกชาติได้ละลึกอยู่ว่าเราเป็นภริยาของมาลาภารีเทพบุตรถึงความเจริญกระทาการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นปรารถนาการเกิดเฉพาะในสำนักสามีนางแม้ไปสู่ตระกูลอื่นในเวลามีอายุ16ปีถาวายสลา ก, กัพัทปคัคขยภพัตและ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 จึงขนานนามของนางบ้าปฏิปูชิกาแม้นางปฏิปูชิกานั้นย่มปฏิบัติโรงฉันเข้าไปตั้งน้ำฉันภูอาสนะเป็นนิดมนุษย์แม้พวกอื่นใคราเพื่อจะถวายสลากกับพัดเป็นต้นนำหมามอบให้ด้วยคำบ้าแม่ท่านจงจัดแจงพัดแม่เหล่านี้แก่ภิกษุสงฆ์แม้นางเดินไปเดินมาอยู่โดยทำนองนั่น ได้กุศลธรรมห6ทุกย่างเท้านางตั้งขันแล้วนางก็คลอดบุตรโดยการอันล่วงไปสิบเดือนในการที่บุตรนั้นเดินได้นางได้บุตรแม่อื่นๆรวมสี่คนในวันหนึ่งนางถวายทานทำการบูชาฟังธรรมรักษาศีขาบุตรในเวลาเป็นที่สุดแห่งวันก็ทำการละ ด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วบังเกิดในสำนักสามีเดิมของตนฝ่ายนางเทพที่ด่านอกนี้กำลังประดับเทพบุตรอยู่นั่นเองตลอดการเท่านี้เทพบุตรเห็นหนางนั้นกล่าวว่าเธอหายหน้าไปตั้งแต่เช้า เธอไปไหนมาเทพธิดาตอบว่าดิฉันจุติคนาเทพบุตรกล่าวว่าเธอพูดอะไรเทพธิดาตอบว่าข้อนั้นเป็นอย่างนี่นายเทพบุตรถามว่าเธอเกิดแล้วในที่ไหนเทพธิดาตอบว่าเกิดในเรือแห่งตระกูลในกรุงสาวัตถีเทพบุตรถามว่าเธอดำรงอยู่ในกรุงสาวัตถินั้นสิ้นการเท่าไหร่ เทปติดาตอบว่าข้าแต่นายดิฉันออกจากท้องมารดาโดยการอันล่วงไปสิบเดือนในเวลาอายุส6กปีไปสู่ตระกูลผัวคลอดบุตรสี่คนทำบุญมีฐานเป็นต้นปรารถนาถึงนายมาบังเกิดแล้วในสำนักของนายตามเดิมเทพบุตรถามว่าอายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่ เทพธิดา ต, ตอบว่าประมาณร้อยปีเทพบุตรถามว่าเท่านั้นเองหรือเทพธิดาตอบว่าค่ะนายเทพบุตรถามว่าพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณเท่านี้เกิดแล้วเป็นผู้ประมาทเหมือนหลับยังการให้ล่วงไปหรือหรือทำบุญมีฐานเป็นต้นเทพธิดา ต, ตอบว่าพูดอะไรนายพวกมนุษย์ประมาทเป็นนิด ประหนึง่งถือเอาอายุตั้งอสงไัยเกิดแล้วประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายความสังเวชเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแจมาลาภารีเทพบุตรว่าทราบว่าพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณร้อยปีเกิดแล้วประมาทนอนหลับอยู่เมื่อไหรหนอจึงจกพ้นจากทุกได้ก็ร้อยปีของพวกเราเป็นคืนหนึ่งวันหนึ่ง ของพวกเทพเจ้าชั้นดาวบดึงสามสราตรีโดยราตรีนั้นเป็นเดือนหนึ่งกําหนดด้วยสิองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่งพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทพเจ้าชั้นดาวดึงพันปีทิพย์นั้นโดยการนับในมนุษย์เป็นสามโกฏหล้านปี เพราะฉะนั้นแม้วันเดียวของเทพระบุตรนั้นก็ยังไม่ล่วงไปได้เป็นการเช่นครู่เดียวเท่านั้นขึ้นชื่อว่าความประมาทของสัตว์ผู้มีอายุน้อยอย่างนี้ไม่ควรอย่างยิ่งแลในวันรุ่งขึ้นพวกพิสุเข้าไปสู่บ้าน เห็นโรงฉันอันไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงกล่าวว่านางปฏิปูชิกาไปไหนชาวบ้านกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจากเห็นนางณที่ไหนวันวานนี้เมื่อพระผู้เป็นเจ้าฉันแล้วกลับไปนางตายในตอนเย็นภิกษุปุตุชนฟังคำนั้นแล้ว รึกถึงอุปการะของหนังนั้นไม่อาจจะกลั้นน้ำตาวไว้ได้ธรรมสังเวทได้เกิดแจ่พระชีนาศพพิกษุเหล่านั้นทำพิธกิจแล้วไปวิหารถวายบังคมพระาศาสดาทูลถามว่าข้าแต่รพระง์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่อปฏิปูชิกาลุกขึ้นเสร็จสับแล้วทำบุญมีประการต่างๆปรารถนาถึงสามีเท่านั้นบัดนี้ นางตายไปเกิดณที่ไหนพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางเกิดในสานักสามีของตนนั่นแหละภิกษุกราบทูลว่าในสานักสามีไม่มีพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางปรารถนาถึงสามีนั้นก็หาไม่ได้มาลาพารีเทพบุตรในดาวดึงสพิภพเป็นสามีของนาง นางเคลื่อนจากที่ประดับดอกไม้ของสามีนั้นแล้วไปบังเกิดในสำนักสามีนั้นนั่นแหละอีกภิกษุกราบทุนว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุกราบทุนว่าน่าสังเวชชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงพระเจ้าค่าเช้าตรูนางอังคาดพวกข้าป ร, รงุง ตอนเย็นตายด้วยพยาธิที่เกิดขึ้นพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชื่อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงเหตุนั้นแลมัจจุผู้กระทำซึ่งที่สุดอย่างสัตว์เหล่านี้ซึ่งไม่อิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกามนั้นแหลให้เป็นไปในอำนาจของตนแล้วยอมพาเอาสัตว์ที่คร่ำครวญร่ำไรไป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 ปะกินันตงความว่าผู้มัวเลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณทั้งหลายอ่านเนื่องด้วยอัตภาพและเนื่องด้วยเครื่องอุปรกรณ์อยู่เหมือนนายมัลลาการเลือกเก็บดอกไม้ต่างชนิดอยู่ในสวนดอกไม้ฉะนั้นบาลพระคาถาว่ามยาสัตตะมณัสงนรังความว่าผู้มีกิจสร้างไปโดยอาการต่างๆในอารมณ์อันยังไม่ถึงแล้ว ด้วยสา ม, มารถแห่งความปรารถนาในอารมณ์ที่ถึงแล้วด้วยสา ม, มารถแห่งความยินดีบาทพระคาถาว่าอติตังเยวะกาเมสุความว่าผู้ไม่อิ่มในวัตถุกรรมและกิิตสกรรมทั้งหลายนั้นแหละด้วยการแสว่งหาบ้างด้วยการได้เฉพาะบ้างด้วยการใช้สอยบ้างด้วยการเก็บไว้บ้างบาดพระคาถาว่า อันตะโกกุรุเตวะสังความบ้ามัจจุผู้ทาซึ่งที่สุดกล่าวคือมอรณะพาณระผู้คร่ำครวญร่ำไยไปอยู่ให้ถึงอำนาจของตนในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหลเรื่องนางปฏิปูชิกาจก